การศึกษาชีวิตมันแฉมสารให้เกิดปัญหาที่ดีนั้นก็ชีวิตเป็ปัญหาการเป็นอยู่ลายสาระไม่ยังมีเป็นแฉมสามแรมการได้เกิดมาต้องแก่เั้งอย่างนี้นนก็ถึง เ, ง, งเกิดแล้วก็ต้องตายก็าจากกันไป ไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าคุณแก่คณเฒ่าคนได้สติขาดัญญาเท่านั้นไม่จําเป็นคุณแก่คณเฒ่าแข่หนื่นนักดาวยังเด็ดนน้อยยังเป็นชู่น้อยก็ตสองตายตามอายุที่เกิดมาได้ตามัญญาตามกฎของกรมจากการกระทำของเขาเท่า น, นั้นก็ยอมตายไม่เท่ากัน ความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันสถานะต่างโดยการเป็นอยู่แล้วยังไม่เพียงพอต่างฐถานะต่างสิ่งสารต่างกรรมต่างการกระทาต่างจิตต่างใจต่างสติปัญญาไม่เท่ากันการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันการจะมีเงินมีทอง จะมากมายกายกองหรือการที่เป็นอยู่ของชีวิตประกอบอาชีพ ต, ต่างงานทุกสาขาอาชีพก็ไม่เหมือนกั น, นคนเราเกิดมาต่างถานะต่างแดนต่างวัยซึ่งกันและกันต่างชาติต่างภาษาด้วยบางคนก็เกิดมาเป็นชาตินั้นชาตินี้เป็นคนไทยบ้างเป็นคนอื่นต่างชาติต่างภาษากัน แต่รวมเรียกว่ามนุษย์ชาติด้วยกันเป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์จะเป็นชาติใดาภาษาใดาก็ต า, ามพระพิจาจณาสอนว่าเป็นมนุษย์ชาติที่มีปัญญาสูงกว่สาสัตว์โดยหลักฐานเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญาแต่การมีปัญญาของมนุษย์จะแยกประเภทไปปัญญาก็ไม่เท่ากันอีก บางคนก็ไรปัญญาหลอเกินไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ประการใดก็มากหลายไม่ใช่หมายความว่าคนเราเกิดมาจะต้องมีปัญญาดีเหมือนปัญจช น, นและก็ต้องมีความรู้ดีเหมือนการทุกคนก็ไม่ใช่จะงา่ายเสมอไปถ้าเราไม่เรียนไม่หาวิชาความรู้มันก็ไม่มีความรู้ เราไม่ฝึกในพ่อปฏิบัติเราก็ไม่มีปัญญาที่จะอยู่ในตัวเราได้แต่คําว่าปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมก็ต้องศึกษาสแสวงหาความรู้ในด้านปัญญาปัญญาทางโลกหรือกว่าโลกเกียปัญญาต้องสแสวงหาวิชาความรู้ทางทางโลกและทางธรรม ให้มันได้ช่างคู่กางทั้งโลคียปัญญาปัญญาทางโลกที่ประกอบอาชีพการงานี่ระกอบอาชีพใช่ให้ประกอบอาชีพโดยใช้ผลงานในการอยู่ทางโลกแต่แล้วปัญญาทางธรรมก็จําเป็นประจามชีวิตของเรามากประจามชีวิตอย่างไรเพราะปัญญาทางธรรมนันม่นแก้ปัญหาได้เรื่องปโลกอุตละธรรม โลคีญปัญญาโลกุตระปัญญาพอมประการนี้มันคู่กันเราอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็ไก่พึ่งโลกเราจะพึ่งโลกเนี่ยตลอดไปก็ไม่ได้ต้องพึ่งธรรมด้วยธรรมแะแปลว่าความดีในธรรมชาติมีดีในตัวของมันเองคือปัญญาคนเรามีดีในปัญญาเรียกว่าปัญญาในตัว แต่วความดีอยู่ในตัวของบุคคลผู้มีปัญญานั้นสําคัญอย่างที่สุดคนที่ไร้ปัญญานั้นขาดดีความดีในตัวไม่มีความดีในตัวแล้วมันจะเอาตัวไม่รอดมันไม่ปลอดภัยชีวิตนี้แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นต่างเวลาต่างเวน้นต่างกรรมกันมาเกิดในโลกมันนี้ตั้งจะเป็นท่านหญิงท่านชาย อายุบดรุลีอย่างเขาที่ห้าที่6กเขาเบญญาพศย์ที่อยู่ทีห้าหรือสามสี่สิบเก้าเขาสสุดประการใดมันก็ตามวัยตามชนาศาตามโอกาสเวลาที่อยู่มานานมากไม่เหมือนกันอายุเราจึงไม่เท่ากันเราอยู่ม า, มานานกว่าเขาก็เลยห่วงใยของเขา มาทีหลังก็อายุน้อยน้อยกว่าเขาแต่เราเกิดในรุ่นเดียวกันเมือปีเดียวกันสาหัสชาปเดียวกันมันก็เกิดปีเดียวกันเดือนเดียววันเดียวกันเดียวพอสาหัสชาเกิดในวันเดียวกันเดือนเดียวปีเดียวกันถึงเกิดเดือนเดียววันเดียวปีเดียวกันมันก็ยังไม่เหมือนกัน ดีไม่เท่ากันเพราะจากการกระทาจากความแข่งรรมของเขาเหล่านั้นจนเหมือนกันไม่ได้คนเราดีไม่เท่ากันทั่วไม่เท่ากันเพราะ ก, การกระทำของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนในข้างดีมีปัญญามาจากข้างอดีตชาติแล้วมันจะให้มาเปิดในบ้านเศรษฐีบ้านความดีมีปัญญา จากความดีที่ใหญ่มาเกิดปฏิสนธิจากการกระทํามาเกิดตามบ้านตามเหตุการณ์ตามปดแห่งกรรมเหล่านี้ถ้ามบางคนมีเวรมีกรรมม า, มากเกิดบาปติดมาก็จะไปเกิดบ้านที่มีเวรมีกรรมเกิดในบ้านคนบ้านคนที่มีคนจริตคนไปโลกประสาทแต่คนนั้นกรรมติดตามมา จมสาคัญมากภรรยานางวาปาปะตังวาการกระทาของเขาไม่เหมือนกันกษแห่งกรรมนั้นไม่เหมือนกันคนที่ได้มาจากกสิทิตจากสวรรค์จากพุกทธรแมเทวทวันก็จะมาเกิดบ้านที่เป็นสวรรค์ด้วยกันแต่คนหาวจากเมืองนรกจิตใจะกอบตรามกมากมายก็ต้องไปเกิดในบ้านเมืองนรก ห้สกปกก็โปกทั้งบาทบางหาถ้านจิตใจสะอาดตัดพระจานนน่ามนฑลมทีนแต่ยากดีมีจนเงินทองไม่สำคัญทำจิตใจสะอาดสดมนไหวพระไหวเจริญะกา ม, มาฐานจะมีบุตริีดาจิตใจสะอาดดีสไม่สกก็โปกแล้ว จ้เห็นได้ชัดเจนจิตสะอาดบริสุทธิ์สงบสะวางสะอาดนักหลาก็จะมาเกิดในบันนั้นบางไหนจิตใจเขกปลอกปลามกอยู่ตลอดโดยการไม่สะอาดไม่เจริญสมาธิไม่เคยบำเพ็ญจิตภาวนาจิตใจไม่สะอาดผาดความมีมนทิน ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สว่างสะอาดตัวกระปรกตับนรกก็จะมาเกิดในบ้านนั้นมากมายตับนรกเกิดจะได้รู้ได้ชัดว่าเสียงพ่อเสียงแม่ธรรมโตกักออแม่มาบ่นกันที่วัดนี้เสมอว่าได้ลูกไม่เรียนหนังสือไม่สนใจในการรักการเรียนแต่เพื่อการใดมันก็ออกมาทํานองนี้ชัดเจนมาก นี่ท่านผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันนี้ชัดเจนนะคนเราเนี่ยถ้าจะเอาดีไม่ได้มันจะไม่เอาแต่ต้นทำยังไงก็ไม่เอาดีไม่ได้ตลอดการตลอดกระทั่งตายเสียใ จ, จยผิดหวังอย่างน่าทิายเราเกิดมาหมดโลกมรรที่ไม่สนใจอะไรเั้งนั้นแล้วนี่กัท่านหญิงท่านชายอุบาสกอภิกาทั้งหลาย อยากดีมีจนเรายังหนุ่มยังสาวกว็าตาแต่หาความดีกข้าไให้ได้เราไม่เดืแหวงหาความดีไม่จะเรีนกุศลบุญยาลาสืบสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนแล้วอายุมากขึ้นจะผิดหวังจะเสียดายอย่างหน่าจะหายแล้วก็เราจะชิดได้ต่อภายหลังแล้วก็จะแก้ไขไม่ได้อายุมันมากแนละ้ว ผ่านมามากมายแต่เราก็จะตายในโอกาสหน้าในอ น, า, นาคตสัส้นจะอยู่ไม่ยาวไม่นานจะเป็นที่นาที่ตายต่อไปหลังมากเกิดมาทั้งทีเราก็เอาดีไม่ได้การเจริญกับกรรมฐานเนี่ยเป็นการข้างความดีแตีวิตมากทําให้เรามีสติปัญญาทําให้เราได้คิดแก้ไขปัญหา ทำให้จิตใจเราสะอาดกระพัดสอนทาอะไรก็ไม่ปกปลอกทําอะไรก็ไม่ก่อบาปก่อความเดือดร้อนในอนาคตทีวิตจับจองลงสายใจก็สะอาดกระชากม น, นละสิงคาสมองจะได้กลองดองอยู่ในจิตใจจิตใจก็ล่าเริงบัรเ ท, นทินธรรมอาจหาในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ก็หล่อเลี้ยบางคนไม่เอาเลย เสียดายด้วยเสียใจด้วยกระทั่งจะเสียใจต่อเมื่อใกลก้จะตายทั้งตัวท่านเองว่าเราเนี่ยทพินฐานมาอย่างผดหวังไม่มีโอกาสที่จะสร้างความดีเข้ได้และความดีก็สร้างไม่ได้นี่แหละท่านทั้งหลายตั้งมาเห็นใจมากนะคนที่ดีมีปัญญาทํายังไงไมันก็ดีแา่ตั้งแต่ต้นคนปลาย ไอคนที่เก่เนี่ยมันก็แก่ไม่ได้หรอกนี่ยทำยังไงมันก็แก่ไม่ได้มันก็ดีไม่ได้จะหลอดจะดา่าจะวา่าจะยังไงจะสั่งสอนยังไงมันก็ไม่เอาเพราะตะกตัวทองแดนเศษยังไงก็เป็นทองคาไม่ได้แน่นอนแต่ชาติทองคําแล้วไม่กองไปเศษไม่กองเ่าไก่ตู้อุดจะขุดหลุมฝังมันยังอลังทางตลอดเลการทายังไงก็ไม่ดํา ก็ามาเป็นทองคำไอต้ตะวูทองเหลืองทองแดงเตะยังไงขัดถี่ชวถี่วัวนยังไงมันก็ไม่สามารถจะกระชังกระทงัะทงหรือลังให้สวยงามได้เดี๋ยวมันก็ดมตามเดิมอันใดก็ฉะนั้นคนที่เอาดีไม่ได้แล้วก็ทำยังไงก็ดีไม่ได้ยื แต่สาธุชนผูน้ประกอบการทั้งหลายเป็นที่นาที่ใดชีวิตของเราที่เราผ่านมาและผ่านไปแล้วก็ น, น่าพิบายผ่านไปอย่างน่าพิจัย ไ, ไม่ได้เก็บของดีกับไว้ไม่ได้สร้างความดีให้กับจิตใจแต่ประการใดความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองในอนาคตถึงสัมหรับยาภพ เหละท่านทั้งหลายเอ๋จิตเตะทุกข์ึงปฏิกจังขาทั้งกะชีวิตเถทุกข์กระึงปฏิกจังขาทุกข์ึงปฏิกจังขาเจตถึ ง, งความสุขความเจริญชีวิตแล้วท่านจะมีแต่ความสุขไม่เยือดน้อนทุกข์ึงปฏิกจังขาเจตเศร้ามองไม่ไม่จะพัด ส, สอนมีจะกิเลสนานาประการอยู่ในจิตกัณดาที่เสียกระหลอดตามเวลา ไม่อยากจะสร้างความดีอันใด้ากระจากเมตตาส ร, รมมาีไม่มีดีไหนทำอะไรก็ไรผลทำอะไรก็ไม่ได้ประกประสานงานในชีวิตจะแล่นแทนต่อไปจนถึงแดนทุกขัติงตัดจังถามจะไม่ไปโ่แดีนสุขขาวว่าดีไม่ได้สร้างความดีเขาได้ คนประเภทนี้ทํายังไงก็ดีไม่ได้กตลอดการเสือก็ไม่ไปไส่ก็ไม่เดินเกินก็ไม่ตัดไม่ปรยัดเวลาอันใดขาดก็ไม่ต้องเติมปล่อยให้มันขาดก็ตอนก็แนกบนเป็กนก็บอนก็แบนตลอดเลการแล้วเกินหนะ้าเกินหลังมันนุ่งผ้าลอยชายใช่ไหนุ่งผ้าลอยชายไม่เสมอกัน เหมือนเราวนุ่งผ้าลอยชายไม่เสมอไม่ทาเหยียดทายผ้าล้มตายเพราะลอยชายเหมือนบุรุษเผดกนุษย์บุรุษลอยชายลอยไปลอยมาเหมือนเผดมนุษย์ไม่มีความจะสิ้งถดยุติกันได้แก่ประการใดการที่ท่านเจริญธรรมฐานเนี่ยสร้างความดีให้แต่ฤีธิ์ของท่านเองไม่ใช่มาการสองวันแล้วก็ได้ผล มาเจ็ดวันแล้วก็ได้เรื่องได้ราวไม่ได้เรื่อนเวลาวถาท่านทําตั้งใจจริงๆแล้วถ้าเจ็ดวันก็พอจะรู้ได้บ้างว่าอ๋อมาเจริญกรรมาฐานต้องการจะให้ฐานะดีให้มีเครื่องสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบมีเครื่องครบเหมือนมีครอบครัวมีครบเครื่องไทยไม้สร้อยในครอบครัวของตอน จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสู่สถานการณ์ตลอดเวลาการบ้านหนึ่งมีใหญ่โตมโหฬารแต่ไม่มีเส้นครบขาดตกบกร่องมากมายขาดน้ำขาดไฟขาดเข้าถูกเข้าสารขาดเงินทองต้องกระจงขาดโน่นขาดนี่ตลอดไปการชีวิตก็แรงแผนีว ชีวิตเราเห็นกะไมสูดแดนภูเขา ว, ว่าดีแน่นอนสดท่นานญาติโยมทั้งหลายเองที่ท่านมาปฏิบัติกรรมาฐานท่านคิดมั้งไหมมาเพื่ออะไรต้องการอะไรตรุงไหนอย่างไรถ้าท่านคิดได้อ่านออกบอกได้ใช่เป็นแนะ่ท่านจะได้ประโยชน์ประจํชีวิตมากท่านจะได้กําไรชีวิตอย่างมหาศาลชีวิตจะเป็นแก่นสาร เนื้อแท้ของชีวิตก็คือความดีของจิตเนื้อแท้ของจิตใจคือความดีของชีวิตชีวิตไม่แรงแทบชีวิตมีแต่ละแผ้นผังชีวิตเป็นาการสารอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าจะมีพอพ่อมีครัวสามมือพยาก็อยู่การดวยสตท่าวดี อยู่การด้วยความสุขความเจริญในครอบครัวครบท้วนกระบวนการมีอทั้งธรรมชาติธรรมะมีอทั้งสติมีอทั้งปัญญามีอทั้งการแก้ปัญหามีอทั้งแผ่เมตตาซึ่งกัละกันสามมือภรรยาพอน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักประคองถนอมน้ำใจกันสามมืก็ทำนอมน้ําใจภรรยา ภรรยาก็ให้เกียรเคารพบูชาสามมื อ, อย่างดีเหมือนพ่อเหมือนแม่สามมือเมื่มัได้รับการยกย่องอย่างนี้แล้วก็ยกย่องภรรยาเหมือนแม่บ้านแม่เลือยงแม่แชร์เชืนอใจประการใดนับถือเป็นแม่ว่าเป็นแม่ที่ดีของลกูกเป็นแม่บ้านการเลี้นงเทีหาศาที่ดีของบุตรธิด่ด่า เกิดยกย่องซึ่งกันละะและกันแล้วต่างคนต่างยกย่องกัน ต, ต่างคนต่างรักเคารพนับถือกันจะไม่มีเรื่องกระเลยนี่ดูด้วยธรรมชอชูชันดูด้วยความสุขความเจริญในครอบครัวขั้นตอนนี้มีความสําคัญอย่างนั้นญาติโยมอุบาสกปฏิการทั้งหลายเอย๋เราได้รับความย่อมเย็นกันตกมานี้ก็เพราะธรรมะ ทำสอนขององค์สมเด็จพระจินาวร์กาบระดาสัมมาสัมพุทเจ้าของเรามากัดในโลกเมือ่อสมัยก่อน น, นานมาแล้วหลายหมื่นหลายพันปียังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มากัดในโลกลายังมืดม น, านาอนาพอลนจิตก็หลอดเายการไปหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยจึงไปหาผีเข้าเจ้าชองไปหาต้นหมากลากไม้ไปบูชาเทวดาบูบชาผี อาที่พึ่งตากต้นหมากลากไม้นานาประการจนกว่าจะมาพบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาผู้เุ็นเจ้าของเหล่านั้นมาตัดในโลกเราก็ได้เกิดแสงสว่างมาของพันกว่าปีแล้วยาโยมทั้งหลายเอ๋ยเรามาพบเพชรแล้วมาพบทองคาแล้วอย่าได้ทิ้งทองคาอย่าได้ทิ้งเพชรก็เลย เอาเพชรมาใส่จิตแค่ชิวิตต่อการงานแลนะหน้าที่จิตจะได้แก่ ใ, ใจใจสะอาดหมดจดนี่เรามาพบของดีแล้วแต่เราไม่ได้พบพระพุทธเจ้ามากรับในโลกแล้วคือพระพุทธศา ส, สนาของเรานั้นเราจะมืดไปแค่ไหนแค่มีพระพุทธเจ้ามีประสงค์สาวกของพระองค์มาสอนประชาชนให้พุบ สอนประชาชนให้มีแต่ความสุขความเจริญเ้ายังไม่เอาอีกหรือยาะการได้กระทั่งที่สอนอยู่แท้ๆก็ยังไม่เอาเรื่องเอาลาวโคนอาภั พ, พบุคคลเป็นบุคคลเสียดจางลายเป็นบุคคลมาจากเมืองนรกไม่ชอบพบความดีต้องการจะอยากพบแต่ความทั่วตลอดไปจึงไม่สนใจต่อธรรมะ คำสอนของพระพิตรเจ้าแต่ประการใดครอบแต่เศษถวันหัวหามคบครอบจะคบพานมันก็จะได้ผาเราไปคบบันดุถึงจะได้ผ่อนแต่พบคนทั่วทำตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายมาเมาแพศหรือก็หมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการธนนานหมดตัวเมาเพื่อนทั่วหมดดีขล้าความดีไม่ได้เลย ถึงหาก่ายังมีพระพุทธเจา้ามีศาสนามาที่แจงสแสดงสอนก็ยังไม่มีใครเอาผ่านไปอย่างหน้าสุดายการจับจผิดหวังในชีวิตในเมื่อเวลาใกล้ตายใกล้ตายจะคิดถึงพูดโผล่ระทับโมประสังโผก็ยังคิดไม่ได้ตายอย่างหน้าทึ่งถึงตายอย่างหน้าระพึงและคิดถึงแต่ลำพันไม่ได้อย่างนี้เป็นก้อน ปฏิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวร อ, อย่ามัว น, นอนหลงเล่นไม่เป็นการไปสามกองกองเขาเสมออย่าเลินเลือกควรทำประกรรมฐานในไหนที่สุดชีวิตเราต้องตายอยู่างทุกคนองตายไม่ว่า น, นมต้องส า, าวก็ต้องตายฉะนั้นงาเขาขาวก็ต้องตายจากโลกไปมาเร็วๆนี้ขาวตายจะเป็นแถว นมก็ตายจะเป็นแถวปฏิเหตุตาสร้างถนนทุนทางหน้าที่ได้เวลาของเธอที่มีอยู่ไม่เด็ดสนใจในความดีเลยต่สนใจจาความชั่วชาสามานคนประเภทชั่วเนี่ยมันสร้างความดีไม่ได้หรอกคนประเภทดีมันจะสร้างความชั่วไม่ได้คนดีเห็นจะไม่ทำชั่วไอ้คนชั่วเห็นจะทำดีไม่ได้แน่ที่เกียจที่กด มาเดี๋ยวสนใจในความดีเหล่านี้แต่ประการใดจะออกมาในล็อกของเขาเองเขาเข้าล็อกไหนมันก็เดินล็อกนั้นคนดีมีปัญญาเขาจะไม่เข้าล็อกทางทั่วแต่ฆ้าตัวให้หลอดกอบไทยไม่มีเสน่ห์จังไรยแต่ประการใดดูได้ไม่ยากนะักยิ่งดูก็ยิ่งเห็นยิ่งเป็นพยาหลักฐานว่าคนสร้างความทั่วกับความดีมันตรงกันอย่างนี้เห็นไหม น่ยาท่านทั้งหลายเราคงไม่ถึดหวังถ้าเราตั้งความหวังไว้ในใจว่าพระพเจ้าตั้งความหวังไว้ให้สูงว่าจะไม่ถึกหวังในชีวิตเกิดมาในสังคโลกมนุษย์นี้ให้ถึงไดับพระพเจ้าจะสร้างความดีให้มากที่สุดถึงจะตายจากโลกไปจะไม่เสียดายจะไประการใดพระพเจ้าจะไม่ถึดหวังต่อชีวิตในความดีอันนี้แลถ้าเราถึดหวัง นี่เราเราตั้งหวังไม่อย่างไรแต่กใกล้ตายเราไม่ได้สร้างความดีเขาเลยจะคิดถึงความดีจะผึกหวังอย่างน่าพิจายคือเกิดมาตายซะแล้วแต่เพี้ยใจต่อภายหลังว่าเรามาพบของดีในศาสนาแล้วเราก็ยังไม่สร้างความดีอึศเรายังไปสร้างความทั่วเอาตัวอับปางชอบเอาบุญไปทํา ช่วยสงฆ์ครอบคนอื่นแต่สงฆ์ตัวเองนั้นไม่มีใครช่วยสงฆ์คือการเจริญพระธรรมาฐานโดยกางสติปัจฐานสี่ให้มั่นคงดำรงศาสตร์ไอ้มือสตรีปัญญาแต่หายปัญหานี่ครอบครัวและให้ลูกดีดีมีปัญญาเดี๋ยวเจ้าหน้องพระเดช ก, กุลดุจดอนมารดาที่ทำให้กำเนิดลเลยเกิดมาเป็นต้นเราจะได้ดำรงวงสะกูลอย่าให้ขาสศูนย์แตดประการใด ก็ยังทําไม่ได้อีกการจะไปหาอะไรที่มันจะวิเศษวิโสไปกว่าพระกาสนานจากคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรวิเศษวิโสอย่างนี้อีกต่อไปแล้วโยมเองเรามาพบเพศแล้วอย่าผิดหวังคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเพิกคบของดีคบรองคําหล่อหลอมไในจิตใจด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วอย่าผิดหวัง ตรงตั้งความหวังให้มากที่สดเท่าที่จะมากได้ในความหวังของชีวิตอันนี้เนะี่ยมันเจริญจะกรร ม, มาฐานเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแล้วกุศลธรรมมกุดศลาธรรมานทําดีได้ดีทําทั่วได้ทั่วพาตัวอปาเราจะฆ่าความทั่วทําไมครับเรามาพบของดีแนวก็หยัดที่เอาของดีเกลี้ยงไปทําไม เราเอาเจ้ของทั่วเอามาไว้ในตัวเราทําไมเล่าหน้าที่ได้ความคิดอันนี้เหตุเกินหนอถ้าผู้ใดคิดหนอทุกหนอข้าพระเจ้าคิดได้แล้วจะตั้งใจสร้างความดีตั้งแต่วันนี้เป็นก้อนไปให้มากปีกเท่าที่มากได้แสนจะยากลําบากเหลือเกินเกิดมายากเหลือเกินอ่ำที่น้องทั้งหลายเอ๋ย ไม่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ง่ายเลยจิตโฉมนุษย์กับปีลาโพนี่หนอเรากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีมือกล อ, อ, องเท้ากลองกรหมอมเนึ่งเกิดมาก็โชคดีไม่เป็นไมบ่บาปที่ผลิตจิตมนุษย์แต่ประการใดน้ำบรโชคดีที่สุดเลยแต่เราเกิดมาแลยจะเห็นบางบ้านใจเพี้ยงเรือนเพี้ยงกันเกิดมาตาบอกหูหนวกห้อยเปลีอยเท้าแขนไม่มีอขาไม่มี บางคนก็เกิดมาเป็นไม้าบาปที่ผลิตมนุษย์ตลอดชาติทั้งตายหน้าที่ไา้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างจะเป็นอย่างไรคิดอยู่บ้างไหมคิดว่าเราอ๋อเกิดมาทั้งทีนี้นะเกิดมายากแสนจะยากหลือเกินควรจะฆ่างความดีให้กับชีวิตของเราให้มากสุดจะทาไม่ได้จุลือประการได้ารหนาทิฏายชีวิตของท่าน เราจะต้องการกับเขาไม่ได้อย่าเป็นประเทศไก่มาประเทศไก่มันก็ไม่รู้จักเท็จนินิงดาเหมือนมนุษย์ ช, า, ชาติไรความดีเช่นนี้นะ่ะเหมือนประเทศไก่ไม่อยากได้เพ็จไม่อยากได้ทองคาเพราะมันคนละสงคัญเพราะไก่เนี่ยมันไม่รู้จักเท็จไก่เนี่ยมันไม่รู้จักค้ำมันจึงเสียทิ้งไปเหมือนคนที่ไม่รู้ภาษาคนที่ไรมนุษยชาติ ขาดศักยภาพคนชีวิตแรงจะไม่รู้ของดีจะไม่มีโอกาสสร้างความดเีเห็นของหนึ่งของชั่วเห็นของชั่วกลายเป็นของดีเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีแล้วเศษผีในใจไปแล่ย้ยงใบบนบกสร้างกระจิกลามกตกกับกตลอดรายการท่านจะดีได้หรื อ, อรายการใดเรามาพบของดีแล้วอยาให้มันผ่านไปแค่ทําไมแล้ว การทั้งหลายเอ๋ยติโชมนุษย์กับปัติลาโพเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากมนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคนเท่ากับปัติลาฐานเกิดขึ้นล้านตัวเนะเกิดขึ้นกองล้านตัวเฉลียวออกมาอย่างนี้กันก่อนปราทาเปียธีไปเกิดเป็นปัติลาฐานเท่าก่อนหน้าที่ได้มากเรามาเกิดเป็นมนุษย์บริสุทธิ์นี้ตาหูก็ดีรูกตาหน้าตากด็ดีทุกคน ทำไมถึงไม่สนใจความดีเช่นหน้าตาดีๆเหมือนอย่างที่เกิดมาเช่นนี้เล่าอันต้ายทุกคนกุฏบอยกัตทั้งหลายควรแขวนขวายความดีตั้งแต่บัดนี้กันต้นตายคนจะมา่กันวันสองวันครึ่งวันท่านจะได้อะไรหรือแต่คิดว่าอ๋อความดีทั้งมันนามันนั่งแค่นิดหน่อยชั่วโมงเดียวก็อามาได้าความดีน้อยมาก สร้างความทั่วมากกว่าความดีแล้วก็กบวกลบคูณหายเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาคิดกันดูบ้างทิมันจะได้ดีหรือได้ทั่วมันจะติดลบติดบวกประการใดท่านก็จะรู้เห็นแจ้งในใจขุงท่านเองการจัดตังเวทร์จีตับโภยยูหิรูได้เฉพาะตัวท่านเองเนี้ดีชั่วประการใดท่านต้องยอมรับความจริงนัางสิงบางคนไม่ยอมรับความจริงเลยเอาใจชั่วใส่ตัว บาดของดีออกจากตัวไปหน้าทิ้ดายมากไม่ต้องคนงโง่เช่นนี้เอาเพชรออกจากตัวเอาความชั่วมาใส่ตัวความดีเอาออกไปที่น้าทิ้ดายควรจะกาจัดความชั่วออจากตัวเอาความดีเข้ามาใส่เหมือนเพชรนินจินดาแก้วกาลึ ก, ลกแก้วสารพัดนึก เราจะได้นึกเงินโอนจะได้หลนองนึกทองก็จะไหลไหลเข้ามาเป็นก้อนเราก็จะรู้เหตุผลว่าเรารักเขาเขาต้องรักเราแน่เราต้องรักเขาก่อนเราจะอยากได้ของเขาเราต้องให้เขาก่อนอย่าไปเอาของเขาก่อนเลยท่านสาธุชนทั้งหลายเราอยากได้อะไรก็ให้เขาไปมากเท่าไรเขาก็ให้คืนเราเราให้ความรักเขาไปเนี่ย แม่คุณเอ๋ยพ่อคุณพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวเขาก็ต้องลักลาวสนองงานกับเราอันความดีอันเด่นชัดให้กับเราจงได้เราต้องตารให้ของคนตนีให้ของที่ถูกใจเขาก็จะพอใจเยาะยอัจยาสายที่เราให้ของดีเขาไปฉะนั้นเขาก็เอาของดีมาคืนให้เราทันใดก็ฉะนั้นเราข้าความดีจเจริญประกรรมาฐาน ฐานะเราก็จะดีจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรจะยอมผิดหวังตลอดไปก็ตามใจในครอบครัวก็หาความสุขกำลาในชีวิตไม่ได้อีกแล้วแตมีความสุขก็น้อยจนทีมีแต่ความทุกข์ระทมขมคืนตลอดเลยกามีทั้งรักแท้เน้นตวงหิงหวงหนักหน่วงในหัวใจแต่มีแต่เหตุลาอยู่ในใจเสมอ อาจารย์เจริญกุศลภาวนาสร้างปัญหาโดยจะแก้ปัญหาชีวิตได้ท่านจะมีกับความทุขความจเจริญความทุกข์จะหนีออกความถูกจะมาแทนที่ท่านจะได้กลางความดีให้กับลูกหลานท่านต่อภายในอนาคตพนองพระเดช ก, กุศลบิดดอ ม, ด า, ดม า, า, ดรารดาของท่านได้สมปรารถนาที่ประการถึงจะได้ผลดานิสงอย่างไม่ไล่ค่าแต่ประการใดอย่าให้เป็นเท็รกลอม อย่าให้เป็นทองคำปลอมเลยอย่าเป็นทองทุบอ๋อเป็นทองบริสุทธิ์อย่ากลายเป็นทองทุบทองทุบนี่มันทุบหนามันก็หลอกชาทุบทุบบางมันก็หลอกวางถึงจะหนาบางอย่างไรมันก็เป็นทองทุบตลอดไปข้างในเป็น ต, ต, ตัว อ่าข้างในเป็นทองคำข้างนอกเป็นทองคําจึงจะไปพุกให้ดํำยังไงมันก็ดําไม่ได้มาทองคำมาอยู่ข้างในมันก็สดใสปอดโปร่งโล่งใจเนี่ยสะดวกสบายจิตใจก็โปรง่งใสจิตใจก็มีปัญญาอยู่ทองคำในภยัยจิตมีเพศน้ําหนึ่งคือสัจจะมีความจริงใจไม่พูดเพศในพูดก่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจอเลอะเมงเปรี้รยรลดโคตเที่ยวอีกต่อไป เนีท่านทั้งหลายเอ๋ยเจริญจะกรรมาฐานดีที่สุดแต่จะได้พบของจริงเพราะเรามาจเจริญกรรมาฐานอย่างตามต้องเจ็ดวันถึงจะรู้ของจริงเรามากันสองวันวันเดียวท่านจะรู้ของจริงเราเยือกอาจจะได้ของปลอมไปหน้าทจุดใดจุดย้อมใจไปชั่วคราวแอดจะมาเปรียบเทียบพยมฟังให้ไปคิดกันนะไปคิดกันเหมือน้าตมาบวชนี่ละเจ่นเดียวกันแกมาจากบ้านมันก็ไม่มีเยีย หาดีไม่ได้ก็เอาของแกทิ้งแบงแกอย่าเอามาใช้แบงแกมาใช้เนี่ยใช้ที่ไหนแกมันก็ไม่ได้แกมันก็ไม่ตกก่อนทิ้งแบงเกจะมาสร้างความดีก็ต้องละความชั่วถึงทิ้งจะถูกต้องโยมมาทําบุญก็ต้องละบาปไม่เช่นั้นบุญไม่มีลูเข้าไม่มีช่องเข้าไปหาให้เกิดความสุขแน่นอนที่สุดมิจักความทุกข์ความยากความลำบากตลอดรายการ จะเสียใจจะหลอดา่าติลอดการประ ว, วั า, ารแนะ่นอนที่ตนน้องที่รักทั้งหลายเรามาแค่วันของวันยังไม่ได้อะไรมากนะพยายามกำหนดจุดอาญานะข้าดาาิ้งีือเหินหนอเสียงหนอโกรธ ด, ดีใจเสียใจกำหนดหายใจยยาวอย่าหายใจเร็วมันจะแก้ไ้ปัญหาไม่ได้ถ้าผดชาจะได้ชาของเล่งนงาม ค้าพายพ่อพายแม่พายลาตลาดตะลาวายใช้บัวจะน่าโกไม่แกะอยู่กูแกไม่ไถจะายไปไหนเ่าใช้บัวก็น่ากะลาดก ะ, ะวายตลอดรายการไปไม่ทันชาบ้านเขาแ้วโปรดได้แก้โคตัดปลีพ่อจังวนใช่บ้างโกแกออกที่จะแก้ไถออกไปอย่าไปหลงคอนดนใจในบ้านเสมอไป ตัดปริพเทศกังวลอะไรไม่ได้เลยก็โกรไม่แก้ยุ่งแจ้งไม่ไขัเลยไปไหนไม่หลอดกระตุกโซ่ตลอดไปไม่ได้ของดีที่จะไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตนี้แต่จะการใดก็ขอกระเรียนพรอย่างนั้นมี่แหละเกิดมนุษย์แสนใจยากอย่าทําความง่ายนะอย่าทําความเป็นมนุษย์ให้มันตามก้อยไปกว่านี้เลยจะไป็ิที่นาที่ดายมากจะเป็นกพระสงฆ์องค์เจ้าประการที่มาบวชกันอย่าระวัง โปรดทุกขรณาตัวเองเถิดจะไม่ซื้อแจงให้อย่างอื่นต่อไปพิจารณาตัวเองเอาว่าดีหรือทั่วตัวก็รู้ตัวเองเป็นปัจจัยกลางด้วยการทุกองค์ได้ดีหรือได้ทั่วจะ ต, ตามได้รู้ตัวอยู่ด้วยกันแต่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายสําหรับคนเนี่ยมายอมรับก็มาเป็นของที่อยากเก้อมันก็มายอมรับ คนดีมีปัญญาจะผิด ต, ต้องยอมรับผิดดีก็รอยอมรับความดีไปทั้งดีทั้ทั่วรับผิดข้อทุกประการตาหูจมูกริางกายใจอวัยวะธาอินทรีย์ทังความดีตลอดไปไม่บังอาจเป็นเกิดแต่อย่างนี้เป็นตอนนี่คือโฉมนุษย์กับเวลาโพอญาติโยมโต่อพิจารณาเกิดมาญากไม่จชง่ายแลเกิดมาการทันที่กลองหนงองอ้าเย็นยอมในท้องมารดาครบอาจารเนี่ย น่าโชคดีแล้วเนะ่ยบางคนเกิดตาบอดหูหนวกเห็นไหมไปดูคนประเภทนั้นแล้วกเราทําไม่คิดอะไรมากดูคอทานบางทีมันนั่งแขนไม่มีถามมือมาขคอทานเขาคอร์สทานนั่งคอทานไปดูคนประเภทนั้นขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าอย่างไรดูประเภทสูงไปเขาเป็นแต่ผีหมาเกิดผี แต่ดูไปก็เราก็เสียใจเราไม่เป็นเศรษฐีเท่าดูให้ต่ํากว่านั้นลงไปงานโคทานเราก็นึกดีใจว่าเรายังไม่เป็นคุณโค้ทานที่ถนบนั้นยังมีกิจะตามงานอยู่ยังมีพืชชนะที่ต้องประกอบอาชีพ ก, การงานแล้วก็ดีใจก็ทําให้มันดีขึ้นแต่มันเกิดแสงสว่างมารดกมันทางตรงทางเราไปตลอดชีวิตนี้ชีวิตหน้าต่อไปนี่อยากให้น้องศิรักทั้งหลายโปรดพิจารณาข้อนี้ สักสักหน่อยเถิดเนี่ยของที่หายากอย่างนี้แล้วเกิดมาเนี่ยจะได้พบกระทำคำสอนก็แสนจะยากมีความหมายอย่างนั้นเราจะได้ฟังธรรมของโลกุตติยาก็แสนย่างยากมากเลยเกืนอีกครั้งกับธรรมัตต ว, วานังเป็นก้อนเราจะได้ฟังธรรมของเราพุธาทธายาก็ยากมากเนี่ยมีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อย <c oughs> โดยการปฏิบัตินี่เดยเรามา ด, ด้วยฟังธรรมด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยเนี่ยติโชพูธานมุปปาโภก็แสนจะยากอยู่เหมือนกันยากอยู่เหมือนกันที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพบพระศาสนาของเราอย่างนี้หายากมากแต่ทั้งหลายเอ๋โปรดพิจารณาการให้ใจองแท่เนอนอนตลอดการการเจริญกรรมฐานเ น, าาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตกายทั้งทางโลกกังธรรม จะทําอะไรก็ไม่ผิดใช้สติปัญญาก่อนเสมอชิดหนอชิดหนอก่อนใช้ทําจะพูดจะพ้อทิศก่อนจะทําก็สั่งคติก่อนจะชิดอะไรไม่ออกก็กําหนดชิดก่อนท่านจะไม่ผิดพลาดจะไม่มีความประมาทคิดต่อไปแน่นอนขอท่านอย่างหลายแจ้งใจปฏิบัติกรรมาฐานเดินตรงกลอมให้มันชัดแล้วก็ให้ช้าเดินหนอให้มันช้า การหนดตั้งสตีให้ได้รับรองเดยผลแน่นเรียนไม่หยุดทากันเล็กๆน้อยแล้วมันจะได้ผลแต่ประการใดทําให้มันได้ผลเนีย่ยสมค่าปัจจณาธิการท่านจะกลับไปบ้านแล้วก็จะทําให้ติดต่อกันตานันไม่ได้ผลทีนี้จะมีจับคุณค่าเวลาจะได้มีประโยชน์จะทําอะไรก็ได้เป็นมาเป็นผล แจะทำอะไรก็มีสินมีสติปัญญามีสมาธิดีงานการก็ไม่เสียปัญญาก็เปิดแก้ไขปัญหาได้ปัญญาจะได้หลอบลู่ในกองกางสั้งขานท่านจะได้อ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นจะทําอะไรก็เห็นตัวตายไม่พลาดในจผดอีกต่อไปถึงจะมีพลาดผิดก็น้อยันพีมีความถูกต้องมากกว่าผิดแต่เ้าขาดสติแล้ ว, ม, ลวมันจะผิดมากกว่าผูก ไอ้ความผูกน้อยความผิดมันมากจะแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้เลยก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอจับเตือนให้อุปกาสให้อุวาสปโยมจะได้เข้าใจพ้อคิดพ่อเห็นพิดเรณาตนบ้างให้พิจารณาตัวเองว่าดีทั่วประการใดไม่กล่องไปถามหมอดูที่วัดไหน ไม่ต้องไปหาหมอดูลราเป็นหมอดูตัวเองจะได้รู้เหตุผลต้นปลายรู้เหตุรู้ผลลูกอาถูกต้องรู้กาลเทศกาจิจลัะธนาควรไม่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมเราก็จะรู้ตัวเองอย่างนี้เป็นตน้นจะมีประโยชน์แก่ตนและอนาคตอีกยาวนานสุดท้ทายมีข้อนโมตนาสาธิการแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านผู้มีประโยชน์แก่ชีวิตแล้ว ด้วยคนท่านจะได้มีประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่ต่อไปมีอะไรก็ไม่ระแงงแทงใจไม่ทะเลาะวิวาดกันมีแต่เมตตาปลามีกันมีแั่รักกันมีแต่เมตตาช่วยเหลือกันถนอมน้ำใจกันมีอะไรก็หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันระหว่างสามีภรรย า, ะาระหว่างพี่น้องท้องเดียวกันระหว่างญากต่อญากระหว่างพี่ต่อน้องระหว่างพ่อแม่ก บ, บุตรธิดา วางญาติต่อญาติวางติดต่อครูบาอาจารย์มีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันละกันนักนิ่เบาหน่อยก็ให้อภัยกานเมียกันสนองเด็ตะกุลตลอดการอันชุวกจะแจ่มใสใจสะอาดหมดจดนั้นทองคําธรรมชรราติย่อเลาข้อํานาจกุลปถุราัตน์กายแห่ง พ, พ, พุทธาุพทาธรรมานุภาพทั้งตาอนพทาพิเษอํานาจบุญกุศลที่เราได้สร้างมาทุ้ประการนั้ำดลบันาดาลให้ทุกท่านประกอบแต่ความเจริงเรือง วัฒนารถ า, าพรโดยทุนากันขอทุกท่านตรงกระเรินไปด้วยอายุวันนาสุขาพราปฏิภานฐานสารและสมบัติเมื่อเชื่อิงปฏการได้ชมความมุ่งมั่นปรารนาด้วยการทุกรูปทุกนามนโอกาสบัดนี้เชิญ